อติโลกประวันพระราชนิรันดรรังสิคัมภีรปัญญาเทศ สกุลเรียวแรง 26 เมษายน 2445 เวลาประมาณ 9:00 น. นปีขานคาลณบ้านนาศรีดาตำบลกลางใหญ่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีบิดาชื่ออุสา บีดาบิดาอพยพมาจังอำเภอด่านซ้ายจังหวัดมารดาอพยพมาจากเมืองฝางขึ้นอำเภอนับแหลคือนายคำดี เด็กชายแก่ริ้วแรงเด็กหญิงใครริ้วคันติโกพระราชินีรู เมื่อเราหลวงปู่เทพเทพรังสิอายุได้ 9 ขวบได้เข้าวัด สมัยนั้นนั้นโรงเรียนประชาบาลยังขยายไปไม่ทั่วถึงพี่ชายเราคนนี้แก หนังสือธรรมของพวกเราก็เรียนคู่ 3 ปีจึงได้ออกจากวัดไปเพราะเราลาสิกขาเพื่อน หลวงปุเทศเทศรังสีโจจังหวัดไปแล้วก็ตามชีวิตของเราคลุกคลีอยู่กับพระเนรในวัดโดยส่วนมากเนื่องจากเย็น ตักน้ำกรองน้ำเก็บดอกไม้ถวายท่านบูชาพระพระมากมาน้อย ท่านจะต้องตื่นเสมอมิใช่แต่บิดามารดาของเราเท่านั้นที่ บิดาก็มักจะสนใจในเรามากขึ้นตอนกลางคืนว่าเกิดเป็นลูกคนชาย <c oughs> คติของท่านนี้ถูกใจเรานักเพราะเรามิได้ใส่ 2 กํามือกําปั้น อรหิฟังท่านนั้นก็ติ่มใจทั้งๆที่ยังไม่ สายตาของเราจะจับจ้องสายไปตามแก่ ประวัติของบิดามารดามาตอนนี้เราหลวงปู่เทศที่รังสิอุติจะกล่าวถึงประวัติของบิดามารดาไม่ได้เพราะเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับแม่อริยาณีท่านอบรมเราใน นักดูเหมือนว่าท่านจะรักเรามาก เป็นชาวอพยพและกำพร้าพ่อด้วยกันทั้งสองโยมพ่อนั้นภูมิลําเนาเดิม ต้องทำไร่ตามดอยเพิ่มอีกแล้วก็ทำกันๆเสียด้วยโยมพ่อเราคือร้อยฝั่งว่าท่านกำพร้าพ่อๆกินแล้วจะขี้ ก็ยังไม่พอรับประทานเลยบาง นายกันหาริ้วแรง 1 นายจริงอินทร์ริ้วแรง 1 นางแตงอ่อน 1 นอกจากนี้เช่นผู้ฟ้าผู้หลวงและ เท่บ่าแรงเมื่อมาถึงครั้งแรกใครมันเป็นพาหนะหาพามพอ ฝ่ายโยมแม่เป็นชาวพวนซึ่งทับไทยมาต้นมาจากประเทศแม่เปียลอยฝั่ง หอบกลุ่มมากับของปุกป่าข้ามห้วยหุบเขามาเป็นลําดับจนถึง ไม่สามารถจะประราบได้สามารถจะปราบได้สิ่งแวดล้อมมันทําให้คนๆกลับเป็นคนเลวไปได้เหมือนกันจริงทองซึ่ง เพราะดิพวกพุดมสมบูรณ์เนี่ยอาชีพของคนที่ ภาคดูที่วัดบ้านห้วยพอดจังหวัดเลยได้เกิดโรค ดวงหน้าของเรามี 3 แม่ลูกกับหน้าชายติอาศัยเพื่อนผู้ใหญ่เข้ามาคนๆไม่คืนมีปากมีสิ่ง หมู่ 1 ได้แยกย้ายลงไปอยู่บ้านนาบงภูเพชรรักและแต่งงาน จึง มibut รวมกันดังกล่าว เพียงเท่าคนนี้บาปกรรมของแก่ก็ไม่มีบาปกรรมตามสนองเมื่อยายตายแล้วกิ่งได้ภรรยาคนใหม่ ไหว้พระสวดมนต์ลูกหลานก็รําคาญหูหูๆนานาเป็นที่น่า ความชั่วนั้นย่อมติดตามมาทันฉะนั้นผู้มีปัญญา เมื่อแม่ของท่านมาตายจากไปก็พอลูกๆและผัว 6 บาทติกระเป๋าก็ไม่เดือดรอนปีๆ จึงมีข้อเสือกเหลือเป็นอันมากจุม่าลูกชาย รักพ่อแม่พ่อแม่เอาใจใส่ใน เมื่อนานวันมานานวันมาฝ่ายฝามมืดมิดแห่งความโศกค่อยสร้างลงแสงธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงค่อยฉายส่องเข้าไปในหัวใจเพราะหิห่างบ้างพอรางๆคิดว่าเมื่อหาทางจากข้างบนคือการบวชอระงับความโศก โยมพ่อที่ได้หาลูกเมียออกบวชอยู่ได้ 2 พรรษาการ ไม่คนไม่มีปัญญากี่ชั้นแล้วคนไม่มี กับปรยาผู้กำปร่าหลายญาติขานบิดค่อยเคลื่อนเข้ามาสู่ บางคนที่เกิดมาร่วมโลกด้วยกัน จึงมีลิงดูทั้งทั้งสองยิ่งเคารพว่าทั่วๆไปแต่เรา ท่านทั้งสองด้านศีลธรรมให้ปฏิบัติอยู่แล้วให้เจริญยิ่ง ในชีวิตนี้เกษ 5 ปีมา เราก็นั่งเฝ้าอบรมสติแก่ท่านท่านก็ ังแต่ทดแทนบนคุณบิดามารดาแล้วนําท่านนักสองมาบลปรืออย่างดีียยิ่งยุนญ้าที่ใครๆในโลจกระทําได้แม้สมปัจจขพัติยยกให้เป็นเครื่องบูชาาก็ตามยังไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญุลแก่ท่านอย่างยิ่งเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นแต่ให้ความสุขแก่ท่านในเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่แล้วหาได้ติดตัวไปได้ไหม อบรมบิณฑะมานาผู้ไม่มีศีลธรรมให้มีศีลธรรมอันดีเพราะอริยสมบัติเป็นของมีค่า ประเดตุติบัตตังคัมภรณ์ของพระพุทธเจ้าแล้ว เนื่องจากในระยะนี้เจ้าพระชีวิตของเราอยู่เสมอบางทีก็ถามปัญหาเช่นท่าน มึงชอบผู้หญิงแล้วเมื่อจะแต่งงานจะแต่งงานกับผู้ วันหนึ่งเรานอนหลับกลางคืนได้เกิดสุบินนิมิต ดูเหมือนที่มีการอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละเมื่อเป็นชนันนั่นแหละที่พึ่งสุดท้ายของเราก็คือบ้านแล่พ่อแม่แต่ที่ไหนได้เมื่อวิ่งขึ้นไปบนบ้าน ทันกุบเข้าไปจนได้เลิกมุ้งขึ้นแล้วแท้แส้หัวเราลงอย่างเต็มอยู่เลยที่ถูกแส้ เมื่อทวนเหตุการณ์ไปมากรอบคอบจิต เราจึงได้ระลึกถึงนิมิตความฝัน เป็นนอนไม่หลับจนดึกเพราะมนึกถึงพระคุณของลูกๆเหล่านั้นเมื่อเขาแต่ง ทำให้ระลึกถึงบิดามารดาว่าเอ๊ะบิดามารดาของเราล่ะใครจะเลี้ยงดูยิ่ง ภายหลังมัตตศิลป์ใจตนเองว่าเราล่ะโอมาเราจะ ผู้ที่จะรู้มากธรรมะคือรู้ละเอียดที่จะรู้มากรู้น้อย อีกหนึ่งคงเหมือนกันเราหลวงปู่เทศเทศรังสีได้นั่งคิดหวนลําดับถึงกิจการงานอาชีพ ถ้าครอบครัวไหนคุณไม่มากพอจะต้องแบ่งเวลาไป เป็นต้นวาข้าวสารพริกเกลือปลาร้าหญ้าเส้นเมื่อลงมือทํานาแล้วจะ จากนี้ก็เตรียมเครื่องมือไว้จับปลาในหน้าแล้ง แล้วควรขึ้นดุ่มตอนต้นเดือนกุมภาพันธ์ จะต้มเข้าสวนอ้อยตัดให้พอแก่การ แล้วต่างก็แยกกันไปทำงานตาม ทำไมเทศลังสีหลวงปู่เทศเทศรังสีจึงมาทบทวนคิด หากยังไม่โนดหลับหรือตายเสียแล้วก็จะต้องพากัน ก็เป็นการสนุกของ คือโจรขโมยลักคูกระบือเบี้ยนทะพานเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองแม้แต่ ถ้าใครจะเด็ดตามล่าเอาจากล่าสัตว์เราดุ้งปูเทพที่บางศรีตัวนิดเดียวก็ ทำอย่างไรหนอเราจึงจะเหนียวจนคนฆ่า บุตรมิลนเอาเดิมของท่านอยู่บ้านม่วงไข่เทศอำเภอวานหนอนนิบาตติดต่อกับ กับเพื่อนๆของเขาอีก 2 คน 4 ทั้งตัวเราซึ่งเป็นเด็กตายที่ไหนได้กลาย ท่านบัวรู้สึกบัวรู้สึกตั้งหลายครั้งต้นหลังสุดได้ แต่ท่านเป็นคนทั้งพูดพวกเราอยู่ 10 วันจึงได้พากัลลา สามคืนจึงถึงบ้านโดยเฉพาะตัวเราแล้วจึงถึงบ้านโดยเฉพาะตัวเราแล้วรู้สึกละอาย ก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันมันเป็นที่เราหาจากความเชื่องมงายในเรื่องขนาดเค้าจะออกค่า นักว่าเป็นทุกข์คนเราอย่างหนึ่งเราเกิดมาใน หรือบุญกรรมนําส่ง เราคิดถึงบ้านน้ําตาร่วงทุกวันบางวันหนอดึกก็จะหลับ เรเรากำลังแปะเนื้อหนุ่มเขาทั้งชายทั้งสัพพโยกประมาณ 6 ปีถึงไม่เร 5 ศีล 8 ที่จริงคน พบพระอาจารย์สิงห์เมื่อปุจจกาล 2459 เจ้าคุณญาณวิสิทธิ์พระอาจารย์สิงห์คันธยา ที่ขอพักอยู่ด้วยคล้ายๆกับว่าท่านมุ่งเช่นสอน ล่ําบคู่บรรกิจท่านสวดภาวนาบริกรรมเรารวมได้เป็นสมาธิจน อยู่กับหมู่มากๆเวลากลางคืนอากาศเย็นสงบดีเราทํากรรมฐานของ พอมาถึงที่นั้นเข้าไข้ปากของท่านยิ่งกำเริบขึ้นพอจวนเข้าพรรษาท่านจึงได้ออก ท่านจึงมีความรู้สึกเป็นหายใจของท่านขึ้นอย่าง เพื่อขอขมาบิดามารดาขึ้นวันนั้นเราแล้วไปขอขมาญาติผู้เฒ่าผู้แก่จนทั่วหมด บ้านด่าและป้าได้ตามมาส่งถึง ออกจากบ้านครั้งที่ 2 ตามพระอาจารย์สิงห์ไปอาเป็นประวัติการของ ยังไม่มีความบุกป่าใหญ่อะไรทั้งสิ้นออก จึงอุตส่าห์ออกไปบิดาบาทมาเลี้ยงเราเลยเดินทาง 3 คืนถึงอุดรแล้ว ท่านพักอุปสมบทโยมแม่ของท่าน ที่พระตอนนี้ลุยบ้านเกียงใหญ่เมื่ออายุเข้า 18 ปีตอนใจมากน้ํา ก็มีพ้มิปรากฏในวัน 2 วันข้างหน้าอย่าง ยังที่อยู่เท่านั้นคืนก่อนที่จะไปได้มีการประชุม ได้จึงค่อยคลายความโศกลงบ้างๆเรารู้ตัวดีว่า แต่คณะที่สอบโปรจจกนํามณฑลท่านมีกําหนดว่า 20 ปีไม่สอบ 3 จึงได้สอบนักธรรมตรีนักก็สอบ เมื่อเราก็ต้องน่าเรียนบาลีออกจากโรงเรียนภาษาไทยแล้วเราก็ปัญญาภโลน้องชายของท่านพระ แต่ทั้งบาลีและนักธรรมโทเล่าเรียนไม่ นั่นคือสมณเถรเทพรังสิกล่าวคือสมัยนั้นรัฐบาลคิดจะสร้างให้มีเศรษฐีขึ้น สมณเถิดแก่นอนหลับเพราะแก่ไปถูกรถเรดาร์รางวัลที่ 1 เข้าและแกก็ลงมือ มองดูบรรดาสาวๆสวยๆ18 ถึง 19 ปีนี่แล้วไม่มี แต่อนิจจาเอ่ยความเป็นเอ๊ะนี่อะไรกันลอตเตอรี่ก็ยังไม่ แกคือปมอายแกใจตนเองอย่างพูดไม่ถูกซิเลยฟัง เศรษฐีอย่างนี้ใครๆก็สามารถจะเป็นได้มิ ดูที่มีความสุขทั้งต่างๆหาใช่และปฏิบัติ มิใช่จะเป็นพิษแต่แก่สมณะผู้คร่ำปีเกี่ยวข้องทั้งนั้นคงหาใหม่ถึงแม้ ไฟจะต้องลามมาไม่มือทนได้เราสมณเถรประชาได้ฟังบรรถาติณุอุบสมบทเป็นพระนับว่า อุบสมบทณวัด 22 ปีเราได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดสุทัศน์นั่นเองโดยมีพระ พฤษภาคม 2466 เวลา 11:48 น. นปีนี้ท่านอาจารย์สิงห์คันธยาขโมอง 6 องค์คือพระสีอมสมเนตร 2 อง เหตุที่ธรรมราชาสิงห์จะกลับมาธรรมศาสตร์ที่อุบลคนหนึ่ง <S an> <S an> เพราะได้ทราบขาวว่าน้องชายมาแล้วก็ดีใจที่ได้มัจมราศานาวสุธษณารามพอออกพันศาหมดเคตกตินแล้วท่านอาจารย์สิงได้พาพวกเราเป็นขนาใหญ่ออกเดินทุดงการออกเดินทุดงครั้งนี้ผู้ที่ออกใหม่โนกจากพระมหาปินกับเราแล้วยังมีพระคำพวยพระทรและสำเนยอีกสองรูปรวมทั้งหมดอง 12 องค์ด้วย เราเพิ่งรู้จักรุจชาติคงความอาลัยครั้งแรกเราประเทศที่ฝรั่งเศสได้ไปอยู่วสุทัศน์อุบลเป็นเวลาถึง เป็นเด็ก 2 เค้าเหล่านั้นได้อยู่ด้วยเรามาแต่ มันก็ทําให้เสียงเครือยืนนั่งนอนแม้แต่พูดและฉันอยู่ก็ตามแต่พูดและฉัน อดอิ่มอย่างไรแล้วใครจะมาสั่งสอน ก็ไม่ใช่ลูกหลานวานเครือของเราเป็นแต่ เราหิ่นท่วมด้วยความอาลัยในครั้งนั้นมัน ในตัวของตนเองได้เล่าออก ได้เดินทางจากเมืองอุบลในระหว่างเดือน 12 ได้พักแร่งมาโดยลําดับจน ถึงแม้จะกล่าวคือได้บีบแบกเท่าที่ฝนตกเทลงมาเพราะเดินด้วยกัน ตามทางหลวงทางเข้าบ้าน